ที่ประเทศจีนนะมีอาชีพอาชีพแปลกๆนะอยู่หลายอาชีพซึ่งกําลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างเช่นในช่วงตรุษจีนนะช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนก็จะมีอาชีพหนึ่งที่นะได้รับความนิยมมากก็คือจ้างนะเป็นแฟนชั่วคราวนะรับจ้างเป็นแฟนชั่วคราวเพราะว่าตามธรรมเนียมเนี่ยพอถึงช่วงตรุษจีนก็เหมือนกับสงการบ้านเรานะ ลูกหลานก็จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดเพราพ่อแม่คนจีนเนี่ยนะก็อยากให้ลูกเนี่ยมีครอบครัวแต่คนจีนสมัยใหม่เนี่ยที่ไปทำมาหากินในเมืองยิ่งคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากมีครอบครัวนะกลับไปบ้านทีไรพ่อก็ถามแม่ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานนะพวกคนหล่านี้ก็เลยรู้สึกําคานะ หรือว่าอาจจะไม่อยากให้แม่เป็นทุกข์ไม่อยากให้พ่อวิตกกังวลก็เลยเช่านะเช่าคนเนี่ยไปเป็นแฟนส่วนใหญ่ก็ผู้ชายนะเช่าผู้หญิงนะไปเป็นแฟนพาไปที่บ้านให้พ่อแม่เห็นนะว่าเนี่ยนะผมมีแฟนแล้วนะพ่อแม่ได้สบายใจอีกเหตุผลหนึ่งนาะที่อาชีพจ้างเป็นแฟนเนี่ยมันแพร่หลายก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่เมืองจีนเนี่ย ผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขามีนโยบายประเทศจีนเขามีนโยบายให้มีลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็อยากได้ลูกที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงใครที่มีลูกผู้หญิงก็หาทางกําจัดนะเพราะว่าถ้ามีลูกผู้หญิงแล้วต่อไปก็จะมีลูกผู้ชายไม่ได้เพราะรัฐบาลอนุญาตให้มีลูกคนเดียวบางทีก็ทําแท้งนะ ทารกที่เป็นผู้หญิงหรือไม่ก็หาทางฆ่าเด็กนะตั้งแต่แรกคลอดจนกว่าจะได้ลูกชายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศจีนนี่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงหายยากก็เลยผู้ชายที่ต้องอยู่เป็นโสดไปนานๆ น, น, นี่ก็เลยมีเยอะอายุสามสิบสี่สิบก็ยังไม่มีแฟนนะไม่มีเมียกลับไปเยี่ยมบ้านทีไลนะ พ่อแม่ก็ถามว่าเมื่อไรหร่ลุยจะแต่งงานนะีอันนี้ก็เป็นวิธีเป็นทางออกนะเรียกว่าขายผ้าเอาหน้ารอดนะเอาควงผู้หญิงไปให้พ่อแม่เห็นหน้าว่าเนี่ยนี่แสนอัวนะพ่อแม่สบายใจพอกลับเข้าเมืองก็ก็แยกกันนะผู้ชายกับผู้หญิงเช่ามาแค่สามวันบ้างสี่วันบา้างค่าเช่าก็แพงนะ อ, อหลายพันบาทนะรวมแล้วนี่ เสร็จสพก็เป็นหมื่นน่ะนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ชอบแฟนอย่างเดียวนะหนา ก, กว่ายนิ่งนะเช่าเมียเมีอาชีพรับจ้างเป็นเมียก็มนะีก็คือจัดพิธีแต่งงานหลอกๆนะจัดพิธีแต่งงานหลอกๆไม่ได้แต่งงานจริงนะ่ะนะก็ไปเอาผู้หญิงจากไหนก็ไปเช่าเข้ามาไปเช่ามาแต่งงานไปหลอกพ่อแม่ว่าอ้วแต่งงานแล้วนะพ่อแม่ก็ดีใจพอแต่งงานเสร็จก็ อย่ากันนะบางทีไม่จดไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยซ้ํำนะพอเสร็จวิธีแต่งงานก็ต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านนะผู้ชายผู้หญิงกันนะก็แปลกดีนะมีอาชีพรั บ, รบจ้างแต่งงานด้วยเดีย๋ยวนี้ไม่พอนะรับจ้างเป็นแขกนะแขกแต่งงานเพราะว่าแต่งงานหลอกหลอนนี่นะนอกจากเจ้าสาวนี่จะเป็นตัวปลอมแล้วนะแขกนี่ก็ต้องไปเช่ามาไปจ้างมาเป็นแขก สองสามชั่วโมงอาจจะเป็นเพราะว่าหลอกต้องการหลอกพ่อแม่ก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าไปแต่งงานกันหรือมีพิธีแต่งงานก็ต้องไปเอาไปเช่าคนโน้นคนนี่มาหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะกลัวว่าคนจะมาน้อยนะไม่ใช่มันจะไม่มีมีหน้ามีตาแต่งงานทั้งทีก็ต้องมีคนมาเยอะๆคล้ายๆประเพณีบ้านเรานะ จัดงานจัดงานบวชนะมันก็ต้องทําให้มันใหญ่โตจะได้ไม่เสียหน้านะจะ เ, เป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่นี่ยนะก็ยอมนะเพื่อให้งานบวชของลูกชายนี่มันดูอคึกคักนะมีหมอลำมีหนังกลางแปลงเนี่ยสามวันสามคืนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหน้าตาใช่ไหมของคนของคนที่เมืองจริงก็เหมือนกันนะหน้าตาเขาอีกแบบหนึ่งนะก็คือว่าเวลาจัดงานแต่งงานต้องมีแขกมาเยอะนะต้องไปเช่ามีเรื่อเดี๋ยวนี้ย ไออาชีพที่รับรับจ้างเป็นแฟนรับจ้างแต่งงานนี่มันไม่ใช่มีแต่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็เป็นนะลูกสาวกลับไปบ้านลูกสาวก็ถามว่าเมื่ อ, อไหร่หรือจะแต่งงานลูกสาวก็เลยต้องเช่าผู้ชายมาเป็นแฟนนะไปให้พ่อแม่เห็นที่บ้านต่างจังหวัดนะสร็จท้ายสุดท้ายก็ <c oughs> ก็จัดพิธีนะแต่งงานนะก็ไปเช่าผู้ชายมาเป็นเจ้าบ่าวนะอันนี้คือนะความเปลี่ยนแปลงของโลกนะ ในประเทศจีนเนี่ยพ่อแม่ก็ยังเหมือนคนไทยทั่วไปนะก็อยากจะเห็นลูกนะแต่งงานมีครอบมีครัวมีฝั่งมีฝานะถ้าลูกไม่แต่งงานก็เป็นทุกข์แต่คนสมัยใหม่เนี่ยนะคนในเมืองเนี่ยเป็นโซนนี่มันดีกว่าเยอะนะเป็นโซนนี่ดีกว่าเยอะนะอันนี้ก็เป็นกับคนไทยด้วยหนุ่มสาวสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากแต่งงานนะเพราะว่าแต่งงานเป็นเรื่องยุ่งยากนะบางคนก็อยากจะเห็นว่าการแต่งงานนี่มันเป็น อุปสรรคกับการทำมาหากินอยากจะก้าวหน้าในอาชีพการงานก็ไม่อยากแต่งงานยิ่งสิงคโปร์นี้ยิ่งแล้วใหญ่นะคนไม่แต่งกันเลยนะเพราะว่าหมกมุ่นกับการทํางานนะอยากจะให้ประสบความก้าวหน้าในอาชีพการงานเขาก็ไม่แต่งกันแต่ว่าพ่อแมอ่ที่อยู่ในชนบทหรือพ่อแม่รุ่นเก่านี่ก็ยังอยากจะเห็นยังคิดว่าถ้าแต่งงานแล้วเนี่ย นะถึงจะมีความมั่นคงเมืองไทยก็เป็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะนะพ่อแม่ก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะว่ามันสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ถ้าไม่เข้าใจนะยังเรียกร้องให้ลูกแต่งงานนะมันก็จะตอบไปก็คงจะมีแบบนี้แหลนะมีอาชีพรับจ้างเป็นแฟนรับจ้างเป็นเมียรัรบจ้างเป็นผัวมาโชว์ตัวเฉพาะในช่วงเทศกาลนะช่วงเทศกาลตรุษจีนมักจะมาโชว์ตัวในช่วง พิธีแต่งงานหลอกๆบ้างเสร็จแล้วก็แยกแย้ายกันไปอันนี้ฟังดูก็แปลกนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นวิธีการของคนสมัยนี้ในการที่ทําให้พ่อแม่สบายใจโดยที่ตัวเองก็ยังมีอิสระนะที่จะใช้ชีวิตก็คือเป็นโซนแต่ส่วนหนึ่งนะั้นมันก็เป็นความจําเป็นนะเพราะว่าหาแฟนไม่ได้เพราะอย่างที่บอกนะผู้หญิงมีน้อยนะผู้ชายมีเยอะนะเมืองไทยยังดีนะที่ไม่มีปัญหาแบบนี้เพราะว่า ตอนไม่มีนโยบายนะรัฐบาลไม่มีนโยบายให้มีลูกคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีการกําจัดลูกผู้หญิงนะอย่างในเมืองจีนก็เรียกว่ารอดตัวไปนะแต่ว่าให้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันก็คงจะทําให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนรุ่นเก่านะอย่าง พ, พ่อออแม่แม่ออกเนี่ยก็คงไม่เข้าใจนะแล้วก็ต้องปรับตัวกันเรื่อยไป แล้เราก็เล่ามาให้พอนะพอเป็นที่อ่พิจารณานะเตรียมรับพร